เมื่อสักครู่นะบทคุณร้อยบทก็เป็นการพนานนาถึงพระคุณสมบัติของพระพุทธองค์ร้อยประการก็นว่าเยอะทีเดียวนะแต่ว่าก็สามารถจะสรุปย่อดได้เหลือ9ก้าประการอย่างที่เราสวดทุกเช้า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 ที่เราเจริญไตสศึกขานี่นอกจากให้ศีลเจริญแล้วนี่ก็ให้จิตแล้วก็ปัญญาเจริญถ้าเจริญอย่างสูงสุดนะก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองพระปัญญาคุณนี่หมายถึงอะไรนะหมายถึงความเข้าใจ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 ไม่มีความวิตติถือมั่นนะในตัวตนหรือมีความรู้สึกสำคัญมั่นมายตัวกูของกูก็จะเกิดกรุณาอันไม่มีประมาณนะไม่รู้สึกแบ่งแยกไม่มีความคิดแบ่งแยกระหว่างฉันกับคนอื่นนะเพราะว่าไอ้ตัวฉันมันไม่มีตั้งแต่แรกแล้วความกรุณาก็เป็นไปอย่าง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 ยึดมั่นถือมั่นนะว่าพระหุ่เป็นลูกของพระองค์ในความยึดติว่าเป็นของเราไม่มีละก็มีความรู้สึกต่อสรรพสัตว์เสมอเหมือนกันหมดปัญญาและกรุณานี่มันเป็นเครื่องวัดความเจริญก้าวหน้าของนักปฏิบัตนะิโดยมีพระพุทธองค์เป็นแบบอย่าง ปัญญานี่ทําให้พ้นทุกข์ไอย่างสิ้นเชิงทําให้ประโยชน์ทําให้กิจส่วนตัวเนี่ยจบสิ้นอย่างที่พรจอาตัดว่าเนี่ยชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำนะทาสําเร็จแล้วกิจที่ควรทําในที่นี่หมายถึงกิจส่วนตัวนะเมื่อกิจส่วนตัวจบสิ้นนะก็เหลือแต่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 ก็คือหมดความทุกข์ละมีแต่ความสุขหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของประโยชน์ท่านเป็นประโยชน์ท่านกิจของคนเรานะมันก็มีแค่สองอย่างเท่านั้นแหละคือกิจส่วนตนกับกิจส่วนรวมกิจส่วนตนก็คือการมาเป็นประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมกิจส่วนรวมก็หมายถึงการมาเป็นประโยชน์ท่าน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 แต่ประโยชน์ท่านนี้นะมันไม่มีจบนะก็ทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆจะทําเท่าไหร่ได้ผลไม่ได้ผลก็ไม่เป็นทุกข์บางคนนี่ทุ่มเทมากเรื่องประโยชน์ท่านแต่ว่าเผลอทุกข์หรือว่าทุกข์บ่อยๆอย่างคนที่เป็นหม่อคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นี่นะ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 ถ้าลไม่พูดกับแม่แม่จะฆ่าตัวตายให้ลูกมันก็ใจเด็ดยังมีทิฐิมานนอยู่แลก็ไม่พูดกับแม่จริงๆแม่ก็เสียใจมากน้อยใจก็เลยตัดสินใจตรงนั้นเลยนะโดดไ ป, ไปที่ระเบียงแล้วก็โดดลงมาจากระเบียงตกมาข้างล่างแล้ก็ตาย อันเนี้ยความความรู้สึกความคาดหวังในตัวลูกว่าลูกต้องเชื่อฟังแม่แม่อุตส่าห์ทาเพื่อลูกลูกต้องเชื่อฟังแม่พอลูกไม่ทําตามเนี้ยความทุกข์ก็เกิดขึ้นเลยแล้วก็ลืมตัวใ น, นต้องการเอาชนะลูกก็ด้วยต่างฝ่ายต่างอยากจะเอาชนะกันลูกอยากอยเอาชนะแม่ก็เลยไม่พูด แม่ขอร้องยังไงก็ไม่พูดลูกก็แม่ก็อยากจะเอาชนะลูกเธอไม่พูดกับฉันเลยเอองั้นฉันจะฆ่าตัวตายให้ดูมีบางลายนะลูกก็อยู่50แล้วทะเลาะกับแม่ไม่รู้ทะเลาะกันที่ท่านไหนลูกก็ไม่พูดกับแม่ นานเป็นเดือนแม่ก็เครียดอาจจะป่วยอยู่แล้วด้วยก็เลยแข็งคอตายแล้ลูกก็มาเสียใจรู้สึกผิดนะที่ทำให้แม่ตายอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าพิจารณาทีาว่าแม่ที่รักลูกแต่ว่าในความรักลูกของแม่แม่จะเป็นไปนด้วยเมตตากรุณานะก็ตาม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 ไม่ขึ้นไม่ลงแต่ไม่ได้แปลว่าการปล่อยปะละเลยนะปล่อยปะละเลยนั่นนั้นไม่ใช่อุเบกขาอุเบกขานี่เนเรื่องการทําจิตทําจิตซึ่งทําให้สามารถจะเผชิญกับอนิถารมได้โดยที่ไม่ถูกอนิถารมก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ไม่น่าพอใจ ซึ่งคนทั่วไปเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งเสียแทงจะเป็นคําต่อว่าดาทอหรือว่าคําสารเสริญเยินยอผู้ที่มีอุเบกขาก็าจะไม่ฟูไม่แฟบจิตใจเป็นปกติได้เข้าสารเสรวนใจก็ไม่ฟูเขาต่อว่าดาทอใจก็ไม่แฟบ เพราะเห็นว่ามันเป็นธรรมดามันเป็นเช่นนั้นเองโลกธรรมคือสารเสรินินทา น, นี้เป็นธรรมดาโลกไม่ควรที่จะไปวันไหวใจกระเพื่อมเพราะสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าเกิดว่าเขาเข้าใจผิดก็อธิบายเหตุผลไปอย่างที่พระเจ้าจัดว่าอย่างที่พระเจ้าเนี่ยเวลามีคนมาตอว่าหรือว่ามีคนที่เข้าใจผิดพระองค์พระองค์ก็อธิบาย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 หลุดพ้นแล้วนะด้วยปัญญามั่นใจเนี่ยไม่เป็นทุกข์แล้วปัญญาที่ถึงที่สุดก็ทำให้เป็นอุเบกขาเมื่อเจอโลกธรรมหรือว่าเมื่อทำอะไรแล้วเนี่ยสำเร็จก็ไม่ได้ดีใจไม่สำเร็จหรือล้มเหลวก็ไม่ได้เสียใจมีจิตเมตตาช่วยเหลือคนเต็มที่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 แต่ทำเพราะทำตามเหตุตามปัจจัยหรือทำด้วยอำนาจของความกรุณาที่ประเทศพม่านี่เมืองเมืองุองกามนี่เป็นเมืองที่คนไทยนี่ไปเที่ยวมากเพราะว่ามีเจดีมีวัดวาอารามนี่เยอะมากยอยุธยานี่สู้ไม่ได้ลแล้วก็เป็นเมืองเก่าเมืองแก่ว่อาอยุธยาสุโขทัยซิ มีวัดวัดหนึ่งคนไทยก็ชอบไปเพราะมีพระพุทรูปที่เก่าแก่สูงก็ประมาณสักสิเมตรไดนะ้คนไทยเรียกว่าพระพุทรูปยิ้มแล้วก็บึง้งยิ้มแล้วก็บึง้งคือมองไกลๆเนี่ยมองไกลๆเนี่ยพระพุทรูปนี้องค์นี้จะยิ้มนะแต่ถ้าเดินเข้าไปไกลๆเนี่ยรอยยิ้มจะหายไปคนทั่วไปก็เรียกเป็นบึง้ง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 แต่พอเดินเข้าไปนิดนี่ช่างเขาก็แสดงให้เห็นความเป็นอุเบกขาของพระพุทธองค์เป็นอูเบกขาเพราะปัญญาก็คือว่าใจนิสงบปกติไม่ฟูไม่แฟบไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นแม่ว่าติทารมหรืออนิถารลมบังเกิดขึ้นก็เป็นปกติได้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 มีสติรู้ทันพอสงบแล้วหลายคนก็พอใจกับความสงบติดสงบนะอันนั้นก็เป็นอันตรายนะเพราะว่ามันยังมีกิจที่ต้องทำอ่นะติดสงบนีนะ้มันทำให้บางทีไม่อยากจ ะ, ะก้าวหน้าต่อไปเลยเพราะว่าเพลินเสร็จแล้ว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 ก็จะเข้มแข็งขึ้นปราดเปรียวฉับไวขึ้นถ้าสงบมากๆสติมันก็ไม่มีคู่ซ้อมมันก็เฉยนะเหมือนกับ น, นักมวยเนี่ยนักมวยที่เก่ง ม, มากๆจนกระทั่งไม่มีคู่ซ้อมเลยเนี่ยก็ไม่ได้ทดสอบฝีมือเอาแต่นั่งๆนอนๆเพราะไม่มีคู่ซ้อมกำลังก็ตกความสามารถก็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 เร็วๆยกมือเร็วๆเนี่ยมันมีปี่ยวตรงนี้แล้วเพื่อไม่ให้ติดสงบด้วยคราวนี้เนี่ยการที่จะการที่จะเห็นเห็นธรรมจากพวกอารมณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยใหม่ๆมันก็ยากนะเพราะเวลาเราเจออารมณ์พวกนี้เนี่ยใจยมันก็ไม่ชอบอยากจะไปกดคมมัน พอเราพอเราก็าไปกดคมมันนะแทนที่มันจะหายไปนะมันกลับมารังควาเราหนักขึ้นยิ่งผลักสายยิ่งยึดติดนะอันนี้จาไว้เลยนะยิ่งผลักสก็ยิ่งยึดติดเราเกลียดใครเราโกรธใครเราไม่อยากเจอหน้าเขาแต่เรากลับยิ่งคิดถึงเขาบ่อยมากเลยยิ่คิดถึงเขาอยู่นั่นแหละ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 อันนี้มันเป็นธรรมดาเราเห็นอย่างนี้เนี่ยเราก็ช่วยทําให้ใจเราปล่อยวางได้นะเวลามีเราก็ไม่ดีใจมากเพราะเรารู้ว่าไม่ช้าไม่นานมันก็ไปเวลาพบเราก็ไม่ได้ดีใจมากเพราะเรารู้ว่าสักวันหนึ่งก็ต้องจากกันไปงานเลีเยงก็ไม่ได้ดีใจมากเพราะเรู้ว่าวงงานเลีพบเม่ได้ดงมาวันหนึก็ต้องจากันเว ล, ลาพบเราก็ทําให้ใจมากเพราบเราได้ไม่ฟูไปกับ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 ไม่มีหน้าจะให้เสียเพราะไม่ได้ยึดมั่นในหน้าตาศักดิ์ศรีัน้าตาใดที่ยังยึดมั่นในหน้าตายังศักดิ์ศรีเนี่ยมันก็ต้องหวันไวต่อคําต่อว่าคําติฉินนินทาแต่พอไม่มีตัวตนจะให้ยึดเพราะรู้ว่ามันไม่มีเพราะรู้ว่ามันไม่มีตั้งแต่แรกมันก็มมีความยึดความหลง ความยึดในหน้าตาศักดิ์ศรีต่อไปท่าใครจะมาต่อว่าดาทอก็ไม่รู้สึกอะไรมันไม่มีตัวกลัวผู้ทุกข์ตั้งแต่แรกแล้วมันก็เป็นลำดับทั้นของปัญญาทีแรกก็เห็นว่ามันสารเสริญนินทาเป็นของธรรมดามันเป็นเช่นนั้นเองเจอแล้วก็ไม่ถูกเพราะมันเป็นเช่นนั้นเองแต่ต่อไป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 ทำเพื่อผู้อื่นละทำด้วยความเมตตากรุณาอย่างแท้จริงแล้วเราเอาสองอย่างนี้มาใช้เป็นเครื่องวัดความเจริญก้าวหน้าของเราก็ได้ว่าเราสงบเย็นไหมภายในและได้เป็นประโยชน์บ้างหรือเปล่าหรือมากแค่ไหนเอาละชั่นนี้ผูกรทนนี้กับ